นว่มันเป็นปัญหานอกตัวนะใช่ไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยโดยมากเมื่อเราเป็นเห็นปัญหาข้างนอกครบมันเป็นดึงใช้ความรู้สึกของเราไปดึงปัญหาไปดูดปัญหานอกตัวมาไว้ในใจคนมันเลยกลายเป็นทุกข์ของเขามันก็เลยกลายเป็นทุกข์ของคนเนาะโดยมากเป็นแบบนี้หลยหนูเหมือนเนี่ยฉันจะทําให้ตัวทุกข์ก็ได้ถ้าถ้าฉันเห็นหนูเป็นทุกข์ท่านนายเห็นหนูเป็นทุกข์ ท่านนายเครียดไงพอท่านนายมองพบท่านนายก็ทุกน้องเราเป็นทุกข์ไงท่านนายก็เลยเอาความทุกข์ข้างนอกตัวมาไว้ในทุกข์ในใจของท่านนายท่านนายก็เครียดก็นอนไม่หลักแต่แต่บางครั้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางทีท่านนายชีวิตของท่านนายก็จะแก้ปัญหาแบบนะที่ผ่านมาในชีวิตก็เห็นทุกข์ข้างนอกก็อย่าไปรับรู้มันอย่าไปไปเชิญมัน แล้วก็พยายามไม่คิดมันแล้วก็หนีมันไปแล้วก็ไม่สนใจไปเลยท่านนั่ก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนั้นไปนั่นก็เป็นการแก้ปัญหาของท่านาบบนั่แบบหนึ่งที่ผ่านมาท่านนั่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ท่านนไม่ได้บอกนะแต่ดูแล้วเป็นแบบนั้นท่านนั่จะอาศัยว่าไม่อยากกลับบ้านหรอกหรือไม่อยากจะรับรู้อะไรมากเพราะรับรู้แล้วมันปวดหัวไงหนูมันปวดหัวมันทุกข์ ก็เลยใช้วิธีการก็คือไปหาทำอย่างอื่นเสให้มันลืมลืมหรือว่าอย่าไปคิดมันมากมันก็เลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่มนุษย์ก็จะแก้ปัญหากันหลายอย่างหนึ่งถ้าเป็นสิ่งที่ตนเองชอบก็เอาตัวเองเข้าไปผูกพันสองถ้ามันเป็นทุกข์มันเครียดมันก้มมาก็ผลักก อ, อกหนี พยายามไม่ไปรับรู้มันอยากให้มันหายไปอยากให้มันจางไปคายไปยเป็นต้นทีนี้มนุษย์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ย เ, เขาเขาทำยังไงถ้าหนูมองว่าปัญหาเนี่ยมันทําให้มนุษย์มนุษย์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยต้องต้องรู้จัก ตัวปัญหาต้องไปเรียนรู้ปัญหาเอาใช้อะไรใช้ปัญญาเข้าไปรู้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมีค่ามากนะถ้ารู้รู้จักที่จะเอาประโยชน์จากมันแต่ประเด็นว่าอยู่ๆเราจะไปเอาประโยชน์จากมันไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่รู้ความจริงประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละเพราะั้นตรงเนี้ย เวลาหนูมาทํางานอยู่อย่างเนี้เมีคนบอกว่าเออหนูต้องมาเรียนรู้เนี่ยก็ทำอะไรทั้งหลายเหล่านี้ยแต่จริงๆเวลาหนูมาอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหนูไม่สามารถเข้าไปเจาะอะไรได้เลยได้บางอย่างได้ฉาบฉวยแล้วก็มันมันลอยลอยไงไม่อยู่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรมากมายเลยมันเหมือนว่า หนูต้องการความชัดเจนว่ามีหน้าที่อะไรและทำอะไรหนูต้องการอยากจะโชว์ศักยภาพตัวเองให้เข้าไปทำให้มันเด่นด้วยจริงๆหนูเป็นคนมีศักยภาพนะถ้าให้ทำอะไรมันชัดเจนปเป็นเรื่องเวลาไปเลยเนี่ยแต่พอหนูมาอยู่ในลักษณะอย่างเนี้ยหนูก็ไม่ไม่ไม่เวิเร์คในความรู้สึกของหนูมันไม่เวิร์ หนูอยากทำงานอะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันโอเคเข้าไปลุยเที่เข้าไปทำมันเข้าไปเจาะอะไรก็ได้เข้าไปศึกษาอะไรก็มีคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลเราทุกอย่างใช่หล่ะหนูตั้งหลักแบบนั้นไว้เท่านี้มันไม่เป็นอย่างที่หนูตั้งหลักหนูก็เลยเครียดกับมันทุกขกับมันแล้วก็ไม่อยากจะอยู่เท่าไหร่รับไอ้ที่อย่างนี้มัน ด, ดูแล้วก็และเพ้อพจะไม่อยากทำมาด้วยซ้ไป เพราะดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนว่าถ้าเราอยากไปรู้อะไรไปจอข้อมูลอะไรเกาไม่มีคนพร้อมที่จะให้ข้อมูลเราหรือว่าพร้อมที่จะให้เราศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ถเพเผอเขาจะมองว่าแม้เราไปร่วมข้อมูลบ้างอะไรบ้างมันก็ถ้ามองไปที่แม่ก็ไม่ต่างแม่เราต้องไปประสบปัญหาแบบนี้แหละพอแม่ก็ไปตามคําสั่งของโก ง, งให้ไปทําในด้านของบัญชีทุกคนก็ไม่อยากเปิดเผย พราเพราะไปตรงนั้นไปเปิดเผยได้ยงไงเพราะเรื่องบางอย่างก็ไม่อยากไปให้แม่ไปรับรู้อะไรทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นมันก็เลยอยู่ไปขวางขวางกันอยู่อย่างงั้นแหละมันก็เลยเพู้อืดพผู้อมคนละมุมอยู่ไม่เล่ะนั่นแหละคือความรู้สึกล้วนๆมันจะเป็นลักษณะนี้หนึ่งนั้นเวลาเราเวลาเราไปเรียนรู้หนะ้าที่ตรงไหนที่อะไรอย่างไรเนะี่ยบางครั้งมันต้องเข้าใจว่า เออหลายหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราไปรู้หรอกอะไรละหนูรู้ไหมอะไรละ่ะเมื่อเรามาในฐานะาทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นญาติโดยทำไมก็ไม่ค่อยชอบให้ข้อมูลหรอกมนุษย์มันมีอะไรอยู่ไหมหนูรู้ไหมในใจของมนุษย์ทุกคนมีนมคำว่าตนนีอะหนูึน่งตันนีทินตนนีที่อยู่ใช่ไหมตันนีหัวงไม่อยากให้ใครมาอยู่ไม่อยากให้ ทุกคนเป็นอย่งนี้สองก็คือตนหนีพวกพอ้อเล่นบ้กเล่นพวกสามก็คือตนหนีผลประโยชน์ไม่อยากให้ใครมาได้ผลประโยชน์ประการต่อมาก็คือตนีคำชมอยากให้เขาชมเราไม่อยากให้เขาชมคนอื่นข้อสุดท้ายที่หนูเจอโดยส่วนใหญ่ก็คือตันีข้อมูลไม่มีใครอยากให้ได้ข้อมูลง่ายๆเราเขาจึมีลิขสิทธิ์ไงหนู เขยาย้าใจว่ามนุษย์มันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นเหตุแห่งความขัดเคือกันหนึ่งเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้สองตณีใช่ไหมเอาแรกตัวนี้เป็นเหตุการขัดแย้งกันไม่สามรารถคีกันไม่คมเกลียวกันไม่ลงรอยกันอันนี้หนูเคยได้เรียนรู้ไงแต่หนูต้องมีคนบอกต้องมีที่ปรึกษาหนูจะเจาะอ๋อมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เอง ทำไมเราไปสอบถามข้อมูลแล้วไม่ขอยากบอกเราเพราะอะไรถ้าก็บอกหนูหมดเขาสําคัญหรือหนูสําคัญเรื่องอะไรเละหนูต้องต้องฉลาดในการที่จะหาข้อมูลเองสิเขา้าใจยังตอเนี้ยมันเป็นอย่างที่มแวแหละในโลกเนี้คนที่จะลาความตนหนีได้ก็มีแต่คนที่บรรลุธรรมแง่หนูแล้วมันดําเนินชีวิตไปเพื่อบรรลุธรรมกันที่ไหนแล้ว เออจะได้รู้ว่าทุกเรื่องหนูไปนี่ขนาดหนูเป็นญาติเนี่ยหนูยังยากขนาดนี้ต้องหนูไปที่อื่นซึ่งเขาไม่เคยรู้จักหนูเนี่เขาจะหวงข้อมูลขนาดะในลิขิท์ทางปัญญาเนี่ผลผลิตทางด้านปัญญานี่หนูคิดอะไรได้อ่ะมันเป็นผลประโยชน์มาหือมาเลยเนี่ยถ้ามีคนมาทำแทนเพื่อเขาก็เริ่มไม่หวั่นไหวแล้วแล้วเขาก็เริ่มห ว, ว, วั่นไหว เฮ้ยเขาจะมั่นคงไหมไอ้งานเขาเนหนูเล่นมาเรียนรู้หมดเลยแป๊บๆหนูดันรู้หมดเนี่ยเขาหวั่นไหวไหมล่ะทุกคนเป็นอย่างนี้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งตัวเรานี่ีต้องเข้าใจความจริงของมนุษย์ตรงนี้ก่อนพอเข้าใจความจริงหรือมีปัญญาไปรู้ความจริงตรงนี้มันจะได้อยู่ได้โดยไม่อึดอัดเป็นอย่างนี้หมดเลยทีนี้ การที่เราจะเข้าไปเรียนรู้อะไรมันจึงต้องมีวิธีการห้ามไปแบบทื่ทอๆเข้าใจยังห้ามไปแบบทื่อๆไปแบบตรงๆอะเนี้ยคำว่าทื่อๆคือคื อ, คอไปแบบไม่มีศิละปะไม่มีทางไม่มีทางจะได้เลยคนที่ไปแบบทื่อๆตรงๆเนี่ยคนก็รังเกียด คนก็มองว่าเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าเราไปบอกกฎวั น, นนี้หมดแล้วเขาเราอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเยอะต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าเขามีว่าเขาเขาเา เ, าเชื่อว่าเขาเป็นคนมีความสามารถอยู่และความสามารถอันนี้ที่เขามีในะขีดจำกัดเล็กน้อยเนี่ยเขาห่วงแต่ถ้าคนฉลาดจริงๆมันไม่ห่วงเพราะความเพราะเขาฉลาดมากจาก หนูลองคิดดูในเรื่องของไอโฟน e นี่ i ไอโฟนเะนี่ยมันไม่เคยบอกข้อมูลเราเลยมันคิดได้ถึงไอโฟนเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่มันก็ค่อยๆทยอยพึดออกมาพึดออกมามันมันหวงหมดเลยข้อมูลพวกนี้หนูทำไมไม่เครียดล่ะทำไมไม่เครียดลมันไม่บอกแล้วว่จยิ่งๆหนูต้องเครียดด้วยถ้าจะเครียดนะี่ยจะไมล่ะ อ้ไม่ซื่อสัตว์กับเรานี่ต้องจ่ายเงินเปนตั้งหลายหมื่นแต่มันให้เราแค่เนี้ยแล้วมันขีดวงจํากัดเขาไว้เหมือนเหมือนเงี้ยเหมือนกรณีที่เราต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เนี้มันก็ไม่บอกเราทั้งหมดนะมันคิดเป็นเศษวิอะไรเงี้ยมันปัดเป็นเป็นเงินบนหูมันค่ามันได้เยอะมากเลยแต่เราไม่เคยถูกไอ้ผู้ใช้เนี่ยถูกเอาแล้วเปรียบขนาดไหนเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องกันเลยว่างั้นเด็ก ลองคิดดูที่ว่าถ้าเราเสียเปรียบค่ายมือถือเนี่ยคนนึงเสียเปรียบแค่ห้าบาทถ้าคนใช้ห้ า, นนาหล้านคนมันจะเท่าไหร่สิบล้านคนมันจะเท่าไหร่สามสิบล้านคนมันจะเท่าไหร่แล้วถ้ามันมากกว่านั้นมันมือหือมาแค่เศษเป็นสตังค์เนี่ยมันรู้มันมือหือมาเลยเนะแต่เราคิดว่าเออไม่มีใช่ไหมแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้มันไม่เคยบอกข้อมูลเราเยอะมากในโลกใบนี้เป็นแบบนี้หมดนุ มันอยู่ที่หนูจะพัฒนาไอตัวปัญญาณเข้าไปรู้ความจริงได้มากแค่ไหนเมื่อหนูรู้ความจริงนะ่หนูถึงจะสามารถเอาเลยเอาประโยชน์จากความจริงตรงนั้นได้อันนี้คือกรณีศึกษาถ้าถ้าหนูอยู่กับความรู้สึกหนูจะอัดอั้นมากแล้วไอความรู้สึกมันจะมามาบ่อยมากเพราะว่าหนูไม่เคยไม่เคยตั้ง ว่าเราจะศึกษามันทุกเรื่องเราจะเรียนรู้มันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องงานเราจะเรียนรู้แม้กระทั่งเรื่องคนเมื่อเรารู้จักมันให้รอบให้ลึกให้กว้างให้ชัดแล้วเนี่ยเราจะสุขใจกับมันจากการที้รู้เมื่อรู้เสร็จแล้วการที่จะมาแก้ไขเป็นมาทีหลังเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ย หนูไม่เคยรู้จักมันจริงเลยเช่นหนูไม่เคยรู้จักแม่จริงๆไม่เคยรู้จักกลองจริงๆไม่เคยรู้จักนาจริงๆไม่เคยรู้จักคนที่ทํางานนั้นจริงๆเลยรู้บางเสี้ยวบางแง่บางมุมแล้วหนูก็ได้เอาประโยชน์จากมันนี่น้อยมากเพราะความไม่รู้ไม่รอบนี่แหละรู้ไม่ทั่วนี่แหละฉะนั้นการรู้มันจริงสําคัญที่สุดเมื่อรู้แล้วมันถึงจะสามารถมองอะไรออก มันจะได้มองออกมองไม่กระแสความคิดของคนก็ออกมองมองแม้กระทั่งพฤติกรรมออกจิตใจออกแล้วก็ทัศนะความเห็นออกถ้าหนูมองอ่านขาดหมดทั้งหมดเนี่ยเรื่องเงินมันไม่ใช่คําตอบนะหนูเนะี่ยมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นก็คือที่เราจะได้ประโยชน์จากมันถ้าหนูอยากจะทําอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเหล่าเนี้ยแค่หนูจะตั้ง ร้านค้าอะไเล็กๆขึกก้นมาจากร้านเนี่ยที่จะต้องมีคนช่วยเหลือเนี่ยหนูต้องรู้อีกรู้รู้ค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่น้อยนะถ้าอย่างนั้นมันก็อยู่อยู่ในโลกใบนี้แบบแบบอะไรแบบไม่สามารถเอาประโยชน์จากมันได้เต็มที่ตามสมควรที่ควรจะได้อ่ะหนูท้อต่อชีวิตไหมทอม้อไหม อะไรเป็นปัจจัยทำให้หนูท้องมันไม่ได้ดังใจใช่ไหมวิธีการคือจริงๆคืออย่างนี้อย่างที่บอกไว้นะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ความรู้สึกจนเป็นนิสัยถ้าฉันมองหนูแล้วฉันเอาความรู้สึกไปมองฉันจะได้สามอย่าง ชอบไม่ชอบแล้วเฉยๆใช่ไหมจริงไหมแต่ถ้าฉันใช้ปัญญาใช้ความูลเข้าไปรู้ปุ๊บฉันก็จะศึกษาเออจุณัดมันมีพฤติกรรมยังไงมีสภาพจิตใจยังไงเป็นคนมีจิตใจที่เออเปนคนเชื่อมั่นตัวเองหรือไม่เชื่อมั่นตัวเองเป็นคนเข้มแข็งหรืออ่อนเอออดทนหรือไม่อดทน เป็นคนที่รอบคอบหรือไม่รอบคอบเป็นคนฟุ้งซ่านหรือตั้งมั่นอนะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะจะจะเริ่มเรียนรู้เป็นคนที่สุข ง, ง่ายหรือทุกง่ายอะไรเงี้ยเฉ่นก็จะต้องไปศึกษาหนูหรือและทัศน์ความเห็นเป็นคนยังไงมีทัศนคติมุมมองแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้แปลว่าฉันมองด้วยความรู้แล้วมองด้วยความรู้ถ้าเจาะลงเป็นเดินปุ๊บถามว่า หนูเปนคนเชื่อมั่นตัวเองหรไม่เชื่อมั่นตัวเองบางเรื่องบางบางเงสวเ ต, ตัวเองไม่ค่อยเชื่อ่แต่ถ้าถามเรื่องา <c> จ <oughs> จะเชื่อมั่นมากกว่าหนูไม่เชื่อมั่นตัวเองเรื่องไไม่เชื่อมั่นเรืไม่เชื่อมั่นตัวเองเรื่อง เช่นยังไงต้องยกตัวอย่างอะไรชีวิตจริงๆหนูหนูขับรถเป็ น, น, นแ่แต่ไม่ถ้าไม่เชื่อมัน่นตัวเองจะขับเป็นไหลายคนขับรถไม่เป็นเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองจะขับได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าจชขาดความเลยรขาดความเชื่อมั่นใช่ไห ให้ hey, หนูหนูขับรดได้มีแสดงว่าข้อนี้หนูก็มีใช่ไหมเรื่องขับรถใช่ไหมพอมีไหมมีเป็นเรื่องภายนจริงๆมันเรื่องภ า, ายในใจคนขับรถไม่ได้ใจไม่กล้าเข้าใจรึ่าจริงๆริงนะมันมีอยู่หนูแยกให้ออกว่าจริงๆที่ว่าคําว่าเชื่อมั่นหรือไม่เชื่อมันม่นหรือมีอะไรเรื่อะไรเรี่ ย, ยเรื่อย หนูเวลาห น, หนูคิดว่าหนูจะทำธุรกิจได้นะเชื่อมนัดคิดว่าถ้าทำธุรกิจทำได้แต่ว่าปัจจัยอื่นนเป็นตัวผัดแปลเลยคิดว่าจะทำให้ เป้าหมายที่ตั้งใจอ๋อเอแดงว่าจริงๆแล้วนี่นะผเป็นคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวปัจจัยรอบด้านใช่ไม้มไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราเห็นปัญหามันดำเนินอยู่ทุกวันแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะอะไร oh. เวลาหนูเห็นปัญหาเนี่ย oh. พอหนูไปเรียนรู้ปัญหาถ้าเห็นตัวปัญหาแล้วนั่นก็เรียกเห็นความจริงระดับหนึ่งใช่ไหม oh. ทีนี้พอเห็นความจริงระดับหนึ่งแล้วเน่หนูไปมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเปลี่ยนใช่ไหม oh. คิดว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นใช่ไหม ประเด็นมันไม่ใช่อยู่แค่อยากหรือไม่อยากหนูต้องไปรู้องค์ประกอบอีกเยอะว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นตลอดมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหนูต้องไปเรียนรู้แล้วไอ้ปัญหาเนี้มันมาจากอะไรใช่ไหมสักในส่วนจริงว่าหนูไปรู้รายละเอียดจนรอบด้านจนรู้มากเท่าที่สุดทเท่าที่จะรู้แล้วเนี่ยประเด็นต่อมาหนูก็ต้องมาทําความรู้สึกตัวเองว่าศักยภาพแล้ตอนนี้ศักยภาพความสามารถของหนูพอไหมที่จะเข้าไป วางระบบหรือแก้ไขอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากยังไม่ใช่เพราะเราอยู่ในฐานะอย่างเนี้การที่หนูเข้าไปเจาะปัญหาได้ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งไหมถ้าหนูลองไปทำตัวเองอะไรเองเนี่ยขึ้นมาตั้งตุกตาขึ้นมาหรือเกิดเปมีโอกาสทําเองขึ้นมาหนูคิดว่าหนูมีศักยภาพจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมล่ะมองเห็นไหมล่ะบางครั้งมันยังไม่ถึงโอกาสที่จะแก้หนูก็ต้องไม่ไม่ต้องไปเครียดกับมันก็ไ้หรืป่า นูก็กล้าที่จะมองมันได้ศึกษามันได้เรียนรู้มันได้ถ้าเราจะทําหรือเราไปเยืนอยู่ในฐานนะเป็นหัวหน้างานจริงๆหรือมีศักยภาพจริงๆเราจะทํำยังไงจะแก้ยังไงอย่างนี่เป็นต้นรายละเอียดมันเยอะนั่นแหละแต่ถ้าหนูความรู้สึกไปจับเปนหนูจะแย่มากเซ็งเว้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เป็นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เห็นมันอะไรเลยเขาอยู่กันยังไงเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแก้ไขเลยเนี่ยน่าเบื่อขยายยัง มันจะออกความรู้สึกอย่างนั้นเป็นไหมแบบนี้ผาานั้นมันเป็นแบบนี้แหละคนบางคนมันจึงไม่อยากเป็นหัวหน้าคนเพราะมันไม่เรียนรู้ปัญหาพวกนี้ซู่เป็นลูกน้องเขาดีกว่าไม่ต้องไปรับอะไรเยอะกินเงินเดินไปวันๆแล้วก็กลับ ชีวิตเราก็โอเคแค่นี้ทําอะไรกันนักกันนาทำไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเยอะมันมันมันคิดได้หลายระบบและแถมมนุษย์ก็เลยเอาละเราชอบของเราแบบนี้เราตั้งใจเป็นแค่นี้พออยากจะไปทํางานพอได้เงินเดือนม า, ก ล, มากลับมาก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรมากมายยิ่งระบบเอาราชการด้วยแล้วท่านราชการสบไม่ต้องไปหุนววาเขาสั่งให้เราทําแล้วก็สักก็ทำทำไปให้จบเป็นวันวันวั น, ว, นวันไป ชีวิตอยู่แค่นี้แหละมีปัญหาก็แก้เฉพาะหน้าไปแล้วก็แก้ได้บางไม่ได้บ้งางเก่างะไแก้ไม่ได้ก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปนั่นอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือบางคนก็เป็นคนวิตกกังวลล่วงหน้าถูกกิเลสในใจตนเองบีบคั้นวิตกกังวลว่าจะต้องทำนู่นจะต้องทำนี้ทุกอยู่นั่นแหละ นี่แก่แคนนี้ประการที่สองนี่มักจะแก้ไขได้ดีกว่าประการแรกแต่ทุกตลอดถูกดิเลต ร, รุมเร้าในใจตัวเองตลอดทั้งเครียดทั้งกุมทั้งวิตกกั ง, งวลทั้งทุกนี่ประเภทที่หนึ่งอีกประเภทหนึ่งเป็นคนที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเป็นคนวางแผนชีวิตได้ดีแล้วก็สามารถจัดการชีวิตได้ดีได้ถูกต้องดีงามอันนี้เป็นอยู่ด้วยปัญญามนุษย์มันก็แบ่งเป็นสาม หนึ่งแก้ไขเฉพาะหน้าสองิตกังวลเกินกว่าเหตุประการที่สามก็คือเวีนอยู่วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเจ๊นตรงเนี้ยโนเป็นคนชอบชอบปัญหาไหมชอบเรียนรู้ปัญหาไหมเมื่อเจอปัญหาเจออุปสรรคหนชอบกันชอบไหมชอบเลยชอบชอบแก้ แล้วเวลาหนูเจอปัญหาแล้วทำไมหนูถึงอยากหนีมันเพราะอะไรเพราะปัญหารเรื่องนี้ก็ไม่คิดว่าแก้ได้คือ ม, มอกแล้วแก้ไม่ได้เชนหนึ่งเชนหน ยกรายตัวอย่างทุกกระจายให้ดูตามฟังไม่มีเป็นหายะพอ่พอพอ่พอพ่อโอพ่อจะเป็นคนรุนแรงแบบนี้มามามานานแล้วมีเรื่องตดไล่ออกจากบ้านเป็นต้มใส่ฮะ คือจริงๆปัญหาเรื่องเนี้มันมันไม่ใช่มีเฉพาะเราเยอะแยะไปหมดนะที่ประเด็นคืออย่างนี้เคยมองว่าพ่อป่วยหมหนูเคยมองว่าพ่อป่ว ย, มยไมเออในหนูลืมมองประเด็นจริงๆพ่อป่วยทางด้านจิตใจมองออกไหพ่อเนี่ยป่วยทางด้านจิตใจ แล้วตอนนี้ร่างกายก็ป่วยก็ยี่ป่วยสองเลยคนที่มีภาวะความเครียดความกัดกุ้มพ่อเนี่ยทำไมพ่อเป็นแบบนี้พ่อเป็นคนคิดหลบอยู่ในความคิดเป็นคนที่จมอยู่กับความคิดมีทัศนคติที่ติดก็จะเป็นแบบนี้ตลอด อาการที่เป็นแบบนี้เขาเรียกอาการที่ป่วยพอเนี่ย น, นี่ถ้าเรามองอย่างเงี้ยหนูว่าคนที่เป็นพยาบาลหรือเป็นหมอก็ดีหรือเป็นคนที่เขาเห็นคนป่วยนีเขาทุบมันเขาทุบกับคนป่วยน้ย่พออะไรนะ ไมไ่่ใชปวยแต่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเขาจะพยายามจะหาวิธีการแก้ไขใช่ไหมแต่เขาไปรู้คนว่าป่วยเป็นโรคอะไรใช่ไ้ยคนที่เป็นจิตแพทย์เขาก็จะมองคนมีภาวะทัศนคติองเป็นคนป่วยเป็นโรคทีนีแล้าก็จะไปวิเคราะห์ว่าโรคนี้มันมาจากสาเหตุอะไรอะไร้็ว่าไป แล้วก็เขาวางวิธีการจุดหมายว่าจะทำให้หายยังไงหายได้ในระดับไหนแล้วก็วางวิธีการรักษามถ้าเรามองคุณพ่อเป็นคนป่วยเนี่ยเรามองเกินความเป็นจริงั้มถ้ามองว่าเป็นคนป่อยไม่เกินพอเป็นอยู่เออถ้าเรามองอย่างนี้ถ้าหนูมองว่าพ่อป่วยแล้วหนูจะทุก อถ้าไม่ทุกอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นการมองผิดด้วยหนูก็จะได้เข้าใจนะว่าอ๋ออาการป่วยทีนี้เมื่อเมื่อเรารู้ว่าป่วยเนี่ยเราจะมีใจมองท่านอีกอย่างเลยนะท่นนี้คนป่วยเนี่ยทางใจเนี่ยาคนียกางทางด้านจิตเนี่ยจะด่าก็ได้จะดีใจก็ได้ จะขับไล่ไงก็ได้หนูว่างๆหนูลงไปเรียนรู้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จทียวาแถวคลองสารทำไมก่อนคองสสนปัจจุบันนี้เาเรียกอะไรต่วนึ่ะมันไปดูซิเราจะเห็นอาการย่างพ่อเราเนยเยอะมากเยอะมากแต่ที่โน้นเน่ยเขาควบคุมเขาไม่ให้กินของมุนเมา ทั้งที่พวกนี้จะโดนคุมด้วยยาโดนคุมด้วยอะไรเยอะๆถ้ามีอาการรุนแรงเขาใช้กระบองไฟฟ้าหนักไปกว่า น, นั้นดิเขาลามโซหรนะือมีหมดเลยแต่ว่าจริงๆนี่ก็ยกไว้อันนี้ด้านหงไม่ได้เป็นขนาดที่อย่างนั้นแต่เชื่อไหมถ้าลองไม่มีใครอยู่กับเดียหรือมีคนปล่อยแกก็จะเป็นอย่างนั้นไม่เกินอาทิตย์แกจะเป็นอย่างนี้น ก็จะถูกจับไปไว้อย่างนั้นยริงๆเพราะจริงๆโดยสภาพแลแ้วแกแกอยู่กับความคิดตลอดอยู่กับความเห็นโดยเองตลอดแล้วร่องที่คิดร่องความเห็นเนี่ยมันตกผลึกแล้วดังนั้นหนูมองอย่างนี้มันถึงจะมองด้วยปัญญาแล้วเข้าใจแต่ทําไมแม่ต้องเป็นอย่างนั้นแม่ก็ไม่รู้คอยจอมอยู่กับคนแบบเนี้ย ถ้าเกิดภาวะที่ไม่รู้ต่อไม่รู้แม่ก็เลยมีอาการติดเชื้อบ้างอะไรบ้างสรารพัดทั้งเหียดม้ทั้งด้านความคิดเน่เข็นน่ยจริงๆเราต้องตั้งกัุณานนะแต่อย่าไปโทมานัทกับมันคำว่าโทมาัทก็คืออย่าไปวิตกกังวลให้รู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองและก็ต้องถ้าไปพูดว่าพ่อมีอาการทางจิตเนี่ยโหแกจะโกรธมากเลย เขาจะรับไม่ได้เลยพวกนี้เขาจะมีความระแวงสูงเขาจะไม่มาหาคนที่รู้จักเขาเขาจะไม่มาเพราะอะไรเพราะเขามองว่าคนคนเนี้จะให้เขาออกจากความรู้สึกตรงนั้นเขาไม่อยากออกนั่นคือที่พึ่งสุดท้ายของ เขาพร้อมที่จะตายไปกับความเห็นแบบนี้ความคิดแบบนี้ทัศน ก, กติแบบนี้หนูมองเห็นไหมล่ะแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกใบนี้90เปอร์เซ็นต์เป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่คือความจริงนะแต่ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราจะได้เข้าใจมันแล้วหนูเห็นปุ๊บหนูจะได้ไม่เครียดหนูจะได้เรียนรู้มันว่า นวอาจจะโอโหแล้วจะทำยังไงวิธีแก้ปัญหาก็คือไปพักที่อื่นนอย่าไปพักที่นี่เราจะได้ไม่เห็นคนส่วนให ญ, ญ่มันแก้ปัญหาอย่างนั้นเหมือนนัยนด้ทำไงก็ไม่รู้ว่าทำไมในบ้านมันเป็นอย่างนี้แต่ที่แน่ๆไม่อยากกลับบ้านเน่ยกลับแล้วมันไม่สบายใจเคยเป็นไหมแบบนี้เป็นตลอดมันไม่สบายใจเพราะเพราะอยู่ด้วยความรู้สึกไง แต่ถ้าคนเขาอยู่ด้วยความรู้เนี่ยเขาขับสบายๆเลยทั้งนั้นหมอเนี่ยไปบานมันไม่อยากไปทํางานหรอกจริงๆแล้วมีแต่เรื่องหน้าแย่ๆทั้งนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้หแต่ละเตียงเนี่ยเช่นห้อง ICU ยิ่งหนักใหญ่แต่ทําไมเขา ไ, เขาไปเขามอกว่าเอาและเมื่อเขาไปรู้ความจริงตรงนี้แล้ว รู้ปัญหาตรงนี้รู้เหตุปัญหาแนละ้วเขาก็วางว่ามันจะวางจุดหมายไว้ว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรเขาวางท่าทีพ่อจะด่าจะไล่จะอะไรก็เขาปล่อยท ไ, ไม่ใช่เฉยมเมยนะมองดูอยู่ยถามว่าจริงๆแนละ้วเขาแก้กล้าลุกขึ้นมาตบมาตีเราไหมเคย ในปัจจุบันแกยังทำอยู่ไหมไม่น่ามีแรงเลยเห็นัหมวิธีการถ้าเราคุยกับเกถ้า เ, เกอดเสียไล่ออกจากบ้านกูไปอะไรต่างก็ได้ตแต่แเ้าก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นโยขาจะตักนะ้ำให้แกก็ตักให้หาอาหารให้แกก็หาให้มีพ่อน้ามีพ่ออาหาร ก็ไม่ต้องมาทำให้โก้ก็สมมนะติอบอกไม่เป็นไรพร่อหนูเป็นลูกหนูทำให้ได้พ่อไม่กินก็ไม่เป็นไรกลับมาตอนเย็นหนูเข้ามาเก็บารลานได้หนูสามารถอยู่เหนือความรู้สึกแบบนีไ่ได้ไหมนได้ไหมล่ะหนูมีความสุขกับการได้ทำแต่ทำแล้ว แกจะเห็นดีหรืไม่เห็นดีเราจะไม่เอาความรู้สึกสูดทุกข์ไปไว้ตรงนั้นเรามองว่าเราได้ถามว่าแกจะมีชีวิตอยู่เราได้นานไหมหรือว่านานไหมลางนานไม่นานถ้าแกเป็นแบบนี้ตลอดนานไหมไม่นะตรงนี้งไง หนูอยากทําอะไรกับแกที่เป็นเรื่องความดีทำด้วยแล้วแล้ต่อไปหนูจะได้ไม่ตําหนิตัวเองซ้ําซ้อนถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าแกไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็อยากตาหนิตัวเองอีกโอ้โหเพรเรื่องเลือกกิงหนูลักพ่อเนี่ยพ่อก็ลักหนูแต่คนที่ไม่เข้าใจตนเองเนี่ยมันแสดงความรักแบบเนี้ยฉันเคยไปเจออยู่ไลายหนึ่งเนะ่ยเขารักภรรยารักลูกเขาเนี่ย ด้วยการด่าด้วยการว่าโดยการตอบแล้วเขาบอกว่าบุคคลในโลกไม่มีใครเขารักภรรยารักลูกเท่าเขาหรอกเขาเนี่ยเป็นคนรักลูกและรักภรรยามันเข้าใจโลกขนาดนั้นในในตอเนี้แล่ทุกวันก็มีมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่าระบุเลยว่าใครนี่เขาละคนเลยหลงโลกหลงตนเอง ไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสุดยอดแล้วมันจะทำไงได้นะเราจะไปรังเกยีเกยจแกได้ไหมไม่ควรถ้าจะรังเกยียจรังเกยียจอะไรรังเกยียจโมหะในความหลงที่อยู่ในใจอะ่ะเพราะแกไม่สามารถแยบพัฒนาฝึกปัญญาตนเองให้มันอยู่เหนือความไม่รู้ได้ อยู่เหนือความมิจฉผิดได้ก็ เ, เลยถูกความมิจฉผิดถูกความไม่รู้ปั่นความคิดใครสําคัญผิดว่าตนเองทํำในสุดยอดแล้วเข้าใจไหมมันเป็นแบบนี้ถ้าจะเกลียดเนี่ยไปเกลียดไอ้ตัวกิเลสในใจของมนุษย์นั่นเลจะทําไงได้ในเมื่อกระแสชีวิตมันเป็นแบบนี้นั่นคือความจริงเรูต้องเรียนรู้มัน ถึงแม่ความรู้เนี่ยจริงๆมันเป็นมันมีราคานะแต่เราเข้าไปรู้ความจริงตรงเนี้ต่อไปเราจะเข้าถ้าเราจะเข้าใจพ่อได้รู้จากพ่อได้หนูก็หนูก็รู้จากคนทั้งโลกถ้าหนูไม่เข้าใจมันปฏิบัติต่อมันไม่ถูกหนูก็จะปฏิบัติต่อคนทั้งโลกไม่ถูกเหมือนกันเข้าใจไหมครเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาคนทั้งโลกเนี่ย ไม่ต่างกันแต่เพียงว่ากิเลสเนี่ยมันจะรุนแรงหรือมันแค่ไหนแค่นั้นเองอย่างเช่นความเห็นผิดเนี่ยมีหลายระดับอาจจะจัดเป็นสามระดับอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดถ้ามีความเห็นผิดอย่างละเอียดมันก็โอเคแล้วมองเป็นคนดีไงดีเหลือเกินคนคนเนี้ไม่แสดงทัศนะอะไรให้ใครขบาดหมางจิตใจเลยว่างั้นเถอะเพราะเขาละเอียดไงแต่ไม่ใช่ไม่มี ถ้าอย่างกลางหน่อยก็แสดงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวรู้จักเป็นที่เป็นทางคนแสดงกับใครไม่คนแสดงกับใครแต่ถ้ายังหยาบนี่แยกไม่ออกเลยกับใครก็แสดงดังมองเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้ความเห็นผิดประเภทนี้ไม้ในเราเมันก็มีนะเหมือนความเครียดของพ่อเวลาพ่อเครียดพ่อกโกรธ พ่อแสดงการไม่พอใจด่าว่าหนูเห็นหน้าตาพ่อแล้วทำไม ห, หนูทุกข์เนี่ยไมหนูโกรธนี่แสดงว่ามันไม่ได่อยู่แค่กับพ่อใช่ไหมมันอยู่ในใจหนูก็มีอย่ไหมล่ะจริงไม่จริงหนูเห็นความทุกข์ข้างนอกโดยเฉพาะความทุกข์ที่เรียกพ่อหนูก็ไปเอาความทุกข์นั้นมาไว้ในใจหนูหนูก็ยังปฏิบัติถูกไหมแบบนี้ ก็ไม่ถูกอยู่ดีทั้งๆเป็นความทุกข์หนูน่าจะเรียนรู้น่าจะใช้ปัญญาเข้าไปรู้ว่ามาจากอะไรนี่คือปัญหานี่คือนี่คือตัวทุกข์นี่คือตัวอุปสรรคและทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้มาจากอะไรมันมาจากกระบวนการความคิดอย่างไรพ่อเจอสิ่งแวดล้อมอย่างไรพ่อคิดอย่างไรพ่อรับอารมณ์อย่างไรจึงคิดแบบนี้แล้วก็วนซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะอะไรทั้งหมดเหล่าเนี้ย ถ้าหนูค่อยๆศึกษามันไม่ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าดูได้กับดูเป็นใช่ไหมดูอย่างนี้ได้ฟังได้ฟังเป็นคิดได้กับคิดเป็นถ้าคิดได้มันก็คิดอย่างที่เคยคิดถ้าคิดเป็นมันก็รู้จักเอาไปรู้จักที่จะเข้าไปมองความจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆไม่หลอกตัวเองทีนี้เวลาไปเห็นเรื่องแบบเนี้ย หนูมีความรู้สึกแย่ไหมในความรู้สึกเวลามองเรื่องนี้ที่ไรคิดถึงเรื่องนี้ทีไรแย่ทุกครั้งหในความรู้สึกแย่ไหมเอออย่างนี้แสดงความรู้สึกนันแต่ความรู้สึกเข้าไปดูเข้าไปมองแต่ถ้าหากกลับไปมองไปรู้แล้วรู้สึกว่าเออเราเข้าใจมาแล้วเรารู้แล้วว่ามันมาจากอะไร เราจะพยายามรู้ให้เยอะกว่านี้ให้ลึกกว่านี้ให้รอบกว่านี้ให้ชัดกว่านี้ตอนนั้นน่ะใจหนูไม่เป็นทุกข์หรอกหนูทําความเข้าใจแบบนี้ให้เกิดขึ้นไบ่อนๆทำได้ไหมละ่ะถ้าทําได้หนูก็พัฒนาปัญญาได้หนูก็อยู่ด้วยความรู้ความเข้าใจหนูเริ่มเข้าใจความจริงมันไงทำได้ไหมละ่ะทำไมเปหายใจแบบนั้นนี่น แต่ตรงนี้ยังไงนูว่ายากไหมยากไหมยากท้มัดฝึกฝนจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียนรู้ก็าเรียกว่าเขเรียกว่าทนต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นทนได้ยากเอาชนะต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยาก แล้วก็ศึกษาสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นศึกษาได้ยากเข้าไปรอบรู้ต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นรอบรู้ได้ยากมันยอดคนนะถ้าคนทำนี้ได้ขยายว่าถ้าคนอื่นอยู่อย่างนี้ยอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นคนมัน <c oughs> คนไม่ไปศึกษาเรียนรู้คนบางคนนยันอยู่ได้ยังไงมันไปอยู่กับคนเปไ็นอาการทางจิตอย่างรุนแรง ฉันเคยไปดูมันนะเฮ้ยอ น, นี้อยู่ได้ไงวะมันอยู่กะคนแบบนี้เอางี้ไม่ต้องอะไรถ้าวันนี้จับหนูไปเป็นผู้คุมให้ไปอยู่ในในเรือนจำหนูหนูรัดไวันไปไหมแต่เชื่อไหมมีคนอยากทำงานพวกนี้เยอะ มันแต่งตัวเดินมีความสูงเหมือนเัิทั้งๆคนมีปัญหาอ 80% ติดยาคดียาเสพติดใช่ปัญหานั้เนี่ยใช่ไหมลองไปถามมันมันวอกตัวมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมันมองคนอื่นที่จับมันไปเนี่ยคือคนมีปัญหา หนูต้องเปิดเปิดเปิดโลกกับท์ให้กว้างกว่า น, นี้บางครั้งเนี่ยถ้าหนูยังทุกข์กับมันอยู่ในปัญหาที่หนูเจอวิธีแก้เบื้องต้นเนี่ ย, ยมองคนที่ทุกขกว่ามองปัญหาสเกลที่มันใหญ่กว่าแล้วเห็นคนอื่นเขามันยังทำได้ หูก็จะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งก่อนที่จะตั้งปัญญาขึ้นไปวิธีใจใัยเห็นความจริงก็ยังไม่ใช่จมอยู่กับมันอย่างนี้ก็คิดแค่คิดแคบถ้าพูดกันในใจน้องหบคิดแคบมองใกล้ไปทํารืออยากทำกูคิดแคบมองแคบใกล้ใกล้ไปตามก็คือว่ากูจะทํำมันอย่างเนี้ยทั้งทงที่มันไม่ไมถูกเลยให้คิดกว้างมองไกลไปสูงใช่ไหมหลักการจริงจริงใช่ไหม เคิดกว้างเนี่ยคิดโกกว้างมองไปข้างหน้าแล้วจะพัฒนาตัวเองมันสูงขึ้นคิดกว้างมองกันไปสูงจริงไหมใช้ปัญญาก็ไปรู้ไปทําความเข้าใจมันหนูอายุเพียงแค่เนี้ยไม่ใช่อยู่แค่ความรู้สึกถ้าหนูใช้ความรู้สึกในการดําเนินชีวิตหนูก็ดูพ่อ ดูคนที่เ็าล้มเหลวนั่นแหละคือเราชัดเลยต่อไม่เอาแล้วเว้ยต่อไปเราจะใช้ความรู้ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเราจะไม่ติดตันมันวันนี้มันคิดตรงนี้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนี่หนูก็ปิดไว้ก่อนเขาใหยังแล้วก็ไปหาข้อมูลไปศึกษาไปสอบถาม ไปหาแหล่งของปัญญามาแล้วเขามาดูต่อมันอาจจะมีสามเรื่องสี่เรื่องห้าเรื่องเรื่องไหนทำได้แค่นี้ก็ไม่ไปเครียดไปทุกข์กับมันมันยังมองไม่ออกก็ปิดมันด้วยก่อนได้ไหมตั้งความรู้สึกไว้ในใจเขียนไว่เช่มาร์กไว้ว่าเดี๋ยวรู้อะไรจะมาดูมันต่อวันนี้มันได้แค่นี้แต่เราจะพัฒนามันต่อเอาเรื่องนี้ไปก่อน พอทําเรื่องนี้มันได้แค่นี้หนึ่งก็ปิดไว้อีกก็ทําเรื่องนั้นต่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยปิดมันให้ได้อย่าเปิดค้าเข้าไว้สิอย่างงี้หนูเปิดด้วยหมดเลยนึกไปไม่เป็นเลยแต่เนี่ยเขาใหญยังปิดมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเปิดมาเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยวิธีการพัฒนามนุษย์ก็ทําแบบนี้ย นี้ขนาดหนูยังไม่ทุกภายในถ้าทุกภายในมีโรคเปลี่ยนเบียนภายในก็โอ้มันเป็นทุกในตัวขึ้นมาหนูจะไปใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ไหมล่ะไปไม่เป็นเลยไหนจะทุกในร่างกายโรคภัยไข้เจ็บไหนจะทุกปัญหาพ่อไหนจะทุกปัญหาแม่ไหนจะทุกปัญหาเกี่ยวเรื่องที่ทํางานไหนจะทุกปัญหาโอ้มันเยอะหมดเลยทีเนี้ยหนูปิดไม่ได้เลยลิขชาคิของมัน มองไปที่ไหนก็ใช้ความรู้สึกไปมองหมดเลยแล้วหนูจะอยู่ยังไงในโลกใบ น, นี้จะอยู่ยังไงก็กอบเกิ น, นไปกรอบเกินไปแล้วก็ระบายไปอย่างที่เขาทำกันเนี่ยระบายระบายใช่ไหมพอระบายเสร็จก็ไมไ่ต้องการคำตอบไปแล้วได้ระบายแล้วก็อยู่มึนๆงงๆกันไปหนูจะทำชีวิตแบบนั้นกันไม่ยากที่เขาทำกันเนี่ย ระบายระบายระบายจบแล้ไม่มีการแก้ไขเลยหรอกเนี่ระบายระบายระบายแค่นี้แต่เขาก็ติดนิสัยแบบนั้นไม่ต้องการแก้กันยังเดิมๆอยู่ไหมเนี่ยจะระบายชอบไหมชีวิตแบบนี้ยากไหมการดาเนินชีวิต ไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจมันใช่ไหมสรุปตรงนี้ก็คือว่าหนูก็ต้องสิ่งที่ที่จริงถามว่าพ่อมีปัญหาไหมมีหรือไม่มีท่านบอกนตัวพ่อพ่อนมีปัญา้วพ่อมีปัญหาคือความทุกขใช่ไหม แล้วเวลาหนูมองไปที่พ่อคิดไปที่พ่อหนูมีปัญหาไหมหนูมไม่มีหนูต่างหาหนูหนูทุกข์ไหมทุกข์ใจไหมเวลามองไปที่พ่อไม่เไม่ทุกข์เครียดหมไม่เครียดแล้วหนูมองอย่างไรมองที่ปันหาคมันองกระทบกับตัวเรา ก็เลยมีปัญหาแต่ถ้าปัญหามันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราคนจริงจริงเนี rauen, they die, they même, siihen, the hair, ่ยมันไม่กระทบหรอกมันจะไปกระทบได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นทศด่าเราเขาว่าเราถือว่ากระทบเราหมจรยจริงๆมันไม่กระทบหรอกถ้าหนูถ้าหนูไม่ไปดึงก็มาว่าเขาว่าเราใช่ไหมพอหนูไปดึงว่าเขาว่าเราก็าต้หนีเรา เขาประทุษร้ายเราพอหนูไปคิดอย่างนี้มันก็กระทบใช่ั้ยล่ะจิ้งโจกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ฟังเสียงพ่อด่าจิ้งจกมันเครียดไหมเพ่า อ, อะไรมันไม่รับว่ามันถูกด่าถูกว่าใช่ไหมลราแต่เราเนี่ยไม่ใช่จิ้งจกเลยแล้วก็มองไปเอาชื่อเราด้วยไปว่า เราเลยเครียดกิจอะไรใช่ไหจริงๆเนี่ยหนูอยู่แบบลักษณะว่าพยายามไม่รับรู้มันแล้วก็ไม่สนใจนหนูใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ไงก็ไม่ต่างอะไรกับทานไหนท่านไหนดื้อออกมาเลยแต่ว่าหนูอยู่ตรงนั้นก็อย่าไปสนใจแกจะเป็นไงปล่อยไป ก, ก็มองผ่นานๆมองเลยๆไปมันแก้ปัญหาแบบนี้มนันรว้สร็วใหญ่ อย่างนี้ใช่เป็นการแก้ปัญหาไหมไดวพอแก้ปัญหาไหมเขาเรียกว่าไม่รับรู้เาเรียกว่าปล่อยปะัดล่าเรือ่องเอาวิธีจะรับรู้รับรู้อย่างไงการับรู้ด้วยปัญญางั้ใช้ปัญญ า, าเขาไปรู้ไม่ใช่ใช้ความรู้สึกเขาไปรู้ใช้ปัญญ า, าเข้าไปรู้ไปวิเคราะห์ ดึงข้อมูลที่พ่อเป็นอย่างนี้มาเพราะอะไรอย่างที่บอกหนูลองไปวิจัยให้อยากคิดขึ้นมาเองไปเห็นปัญหาไปห็นวิธีการหนูลองย้อนตั้งแต่ทีนเด็กหนูอยู่กับพ่อมาหนูจะพ่อมาตั้งนี้สิกว่าปีแล้วจะสามสิบปีหนูลองย้อนดูทำมาย้อนในที่นี้คือดึงใช้สติดึงข้อมูลมาวิจัยให้ ใช้ปัญญาสอบสวนมันจะไม่ทุกร้อยคิดอดีตยังไงมันก็ยัไม่ทุกแต่ถ้าคิดสมมติถ้าคิดอดีตปุ๊บเห็นพ่อตรงนั้นกินเหล้าพ่อทําอย่างนั้นไม่ถูกแล้วก็ปล่อยเพลินปล่อยเครียดไปกุ้มไปทุกข์ดึงว่าโอ้ชีวิตคนคนหนึ่งใช้การแก้ปัญหาด้วยการกินเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่การมีลักษณะแบบนี้ทําอย่างนี้ท่านกะทําของท่านเต็มที่แล้วโอ้ ได้แค่นี้เองนะเนี่ยท่านได้สิ่งแวดล้อมอย่างนี้ได้วิธีคิดแบบนี้จึงแก้ปัญหาแบบนี้มันจะเห็นหมดเลยตอนนี้มันจะเห็นเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าปัญญาเรายังไม่พอก็อย่าเพิ่งดึงไปดึงข้อมูลมาเดี๋ยวก็มองไปไม่ได้กระตัดหนีก็จะเย็นแต่พัฒนาปัญญารู้ทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยดึงข้อมูลมาแค่ไหนเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันเพียงรู้มันศึกษามัน แล้วก็อย่างน้อยที่สุดหนูวางท่าทีทางใจกับมันได้โดยไม่ให้ใจเป็นทุกข์คือมองอย่างเข้าใจมันแค่นี้หนูก็ได้ประโยชน์แล้วระดับหนึ่งแล้วเพราะใจยั ง, ยงไม่ต้องพูดเรื่องเข้าไปแก้ปัญหากอเพราะการจะแก้ปัญหาได้มันต้องความสามารถอีกระดับหนึ่งมันต้องฝึกฝนพัฒนาสติปัญญาความรู้ความเข้าใจอีกระดับหนึ่ง แต่เพียงระดับแรกๆต้นๆเนี่ยก็ขอให้ได้ก่อนถึงซึ่งก็ยากแล้วถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกไม่มีทางได้เลยมองออกไหมตรงเนี้ซึ่งหนูต้องทําต้องทํากับทุกคนด้วยไม่ใช่กับพ่อกับแม่หนูจึงเป็นอยู่ด้วยปัญญา ร, ระดับหนึ่งที่รู้ความจริงมันแล้วก็เอาประโยชน์จากมันได้ระดับหนึ่งก็คือการไม่เครียดไม่คุมกับมแต่ได้เกิดความเข้าใจแล้วมันจะเอิบอิ่ม มันจะชื่นใจกับการที่ได้รู้มันชื่นใจกับการที่ได้รู้ได้เข้าใจมันเพราะฉะัเมันชื่นใจตรงนั้นอมองออกไหมมันชื่นใจตรงไหนตรงที่ได้รู้ตรงที่ได้เข้าใจตรงที่ได้เห็นความจริงนะทํทำได้ไหมเล่า นั้นมันทุกเรื่องเน่ยที่หนูเข้าไปเกี่ยวพันเนี่ยที่เข้าเอาความรู้สึกเข้าไปเอาปัญญาเข้าไปรับรู้ทั้งหลายเนี่ยถ้าหนูเข้าใจความจริงเมื่อไหร่รู้ความจริงมันเมื่อไหร่เห็นเหตุเห็นผลมันเมื่อไหร่ปุ๊บให้หนูชื่นใจระดับหนึ่งแล้วหนูอย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นเจาะข้อมูลไปเรื่อยๆต่อไปมันจะได้มันจะไม่ไม่แค่ชอบหรือไม่ชอบ แต่มันจะบอกว่ารู้หรือไม่รู้พอเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาให้หนูชื่ในใจตรงนั้นว่าเราได้รู้แล้วนั่นชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐแต่ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นชีวิตที่น่ากลัวเนยเขาจอยังยากไหมไม่ยากมยไม่ยากเออไม่ยากก็ไปทำเลยทีนี้ มีโอกาสบอกพ่อบอกแม่บงที่คิดอยากบ้างอย่างนี้กล้อยากไหาพ่อเลยฟังอย่างนี้แล้อยากหาทำไเข้าป่วยนะน่ารำคาป่วยไม่ใช่ว่าป่วยธรรมดาป่วยนะการวิกฤตนะครับจะเขาไม่รู้ตัวทีนี้ผมไม่ได้อยากไปกำกับหรอก อยากไปทำางานที่ยูบ้านนี้แล้วผมอยากกลับบ้านที่คือฝากบอกถ้ามีโอกาสได้เวลาที่เหมาะสมเขาลงดีดๆเขาบอกถี่จริงจจริงจที่พูดให้เราฟังนี่ที่อยากให้เราเห็นความจริง น, นะอาจารย์พูดตรงเนี้ย เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับภาวะที่พ่อมีอาการปวดป่วยมานานคนที่คนที่เจอผลกระทบปัญหาแล้วเอาความรู้สึกเข้าไปจับมันแล้วมันมันมันรู้สึกว่าเป็นผิดหวังบ่อยๆนะพ่อหน้าเก้าเขป่วยทใช่ไหมพ่อผมจะผิดหวังบ่อยมากผิดวางตลอดเวลาผิดหวมกับกีโน่ผิดหวางกับมันโว่ ผิดหวังกับมัเตอร์ไผิดหวังกับธุรกิจเล็กเล็กน้อยน้อนั่นแหละอาการโหยด้วยหอยมันอยู่กับความรู้สึกไงมันก็กลายเป็นว่าโอ้เรานี่แย่มากแต่มันบอกใครไม่ได้ผิดหวังกับเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยจะต้องไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนหักหลังเพื่อนยืมเงินโอ้ปัญหาคนมันมันหน้าหน้าปวหัวหน้าปวดเยอะเนี่ยความเขาอยู่กับความรู้สึก เนี่ยชีวิตแบบนี้ยจริงๆบางชีวิตที่เขาไปเจอปัญหาภาษาที่ก็ประสบความสำเร็จเลยนี่แต่บางคนเนี่ยอเผลอนไปจมกับมันไปจมกับมั น, มมนแล้วมันล่องเนี่ยมันลึกพอตกลงไปในร่องความคิดเนีล้มันออกจากความคิดไม่ได้เราเราอยู่กับพ่อเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดว่าเราจะดึงพ่อออกจากร่องความคิดก่อนให้เข้าใจก่อน ท <introductory> ี่เป็นอย่างเนี้แกจะโวยวายแกจะด่าจะอะไรปล่อยไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพ่อทําไมอย่าไปขัดแย้งความรู้สึกแคกเข้าใจไหมแกอยากจะทําอะไ้เขาอยากตีก็ตีตีมุกถ้าพอสบายใจตีเฉยๆหรือว่างๆบางทีจะลืมตัวก็คอยคือคือคืออย่าไปอย่าไปอย่าไปต้านอย่าไปต้านก่อนเข้าใจไหม แกมองว่าลูกต้านแกทุกคนต้านแกหมดไม่มีใครเข้าใจแกเลยเข้าใจยังไแกมองอย่างนั้นแหละนี่อาการอย่างนี้เ็ืนองอาการป่วยมันถึงแม้ไปตามใจเรื่องนี้แกก็ไม่พอใจเรื่องนี้แกก็จะไปไงอย่างเงียคนป่วยมันจะเป็นแบบนี้เนะี่ยมันเริ่มสื่อกับมนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจกันเลยถามว่าวันนี้แกมีใครเป็นเพื่อนคุยเพื่อนกี่คนกันนะี กินเหล้าใส่ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ก็มีเพื่อนที่ป่วยด้วยกันเนถ้าวันหนึ่งแกก็จะกินไม่ได้วันใดแกหยุดกินเหล้าวันนั้นก็นับวันเลยเดี๋ยวแกก็ค่อยๆอยากรบถ้ายังกินได้อยู่แปลว่ามีเยื่ออยู่งั้นตอนเนี้ถ้าเราดูอย่างนี้ว่าเกิดมาเป็นพ่อกันเป็นแม่กัน จะปฏิบัติต่อกันได้แค่ไหนก็ทำสิจะได้ไม่เสียใจภายหลังดีไหมนั่นดีไหม <c oughs> อะไรที่อยากจะทำํำแกเท่าที่จะทําได้ก็ทําจะได้ไม่จะได้ไม่จะได้ชื่นใจว่าเราได้ทำํำก็จะยังอาจจะทําลับหลังให้ก็ได้แกไม่อยู่อาจจะทับทําได้ว่าไม่ต้องบอกมันเขามีข้อดีมากมากเยเนะคะหลวงพ่อจะว่ า, าสิ่ีสั่ง การมองคนออกแกก็มองคนแก่เวลาแกมีเรื่องที่บ้านเนี่ยถช้อะไรเสียขึ้นมาแกก็รับผิดชอบในด่วนตามใจแม่นน <c oughs> คนที่ตามใจแม่ข้อดีแกก็มีเยอะแต่เพียงพอดีว่าเราไปจับเอาตรงข้อเสียมาคิดไปบ่อยคิดีปบ่อยใช่พอคิดไปบ่อยแล้วคนรู้สึกว่าคำไม่ดีทั้งนั้น มันต้องมองอย่างนี้มองจุดด้อยของแกแล้มองจุดเด่นแล้วก็มองทางออกเพราะเราควรจะบริ บ, บัติตัวเององหลักการมีแค่นี้ถ้ามองได้สามทางได้เราก็อยู่ได้โดยไม่ต้องเป็กังวลตอนนี้เขายัางทำอาหารให้เรากินทุกวันทำใช่ไหมเขาทำอาหารให้เราทุกวันล้างจานชอบล้างจานเองด้วยไหมม่้ยุงกับขัวไม่ค่อยให้ยุ่งกับขัวเด็อออ ม่ยึดครัวโอเคคือคือเข้าใจที่แมวแกเป็นคนมีความตันหนีหนนะจักมากบางทีก็เข้าไปนอนในห้องครัวเตียงไปกางนั่นแหละแกแกมีความตันหนีจักมากแกไปแกไปา้าอยู่ตรงไหนแกก็แกก็หงุดหงิสังเกตว่าของที่บ้านแนี้ไม่ไม่ค่อยให้ใครของก็เลยเต็มบ้านอางนะี้ทีนี้บางเอาของนัดเพอบริจาคนี้นะีอยคเพาเป็นของพี่นนท์ อ๋แล้วเราไม่องไปนนะเป็นความไม่ได้เจตนาเราไม่รู้คก็น่ับเลากับกับน้องคนเล็กนี่เขาโอเคใชชายชายมไปหลไป่กันได้ดีเข้ากันได้ดีน่กินล้าใช่ยหเขาเป็นเือนทานรเป็น่อนากินล้าเ่อแจะออกงานเลยจะทั้งที่จริงผม ผมเคยไปกินเล่ากับเขาแล้วเขาเขาติมาไม่ชอบเลยให้ลูกมากินเล้ากับเขก็เคยมีควาเห็นอย่างนี้ยแต่พอเขาโดดเดียวไม่เหลือใครเขาห้ามพ่อกับลูกก็ห้ามเราด้วยกันผอเมาขึ้นมาจะเรียกพ่อเป็นเพื่อนไม่พอแต่ว่าเขาเนาเขาป่วยจัดป่วยจัดเลยมองเอเห็นนี้ยังดินโลงให้ถ้ามองแบบนี้พอมองแบบนี้เริ่มชี้ใจนะมไม่ออก หลที่นายคถึงนะี่นายไอยู่แล้ก็ดีแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็กลับละว่าอยากลาต้องถึงครอไม่ได้เจอนะโยมแน่ยังเจ อ, อว่ายตโยมพ่อไม่เจอข <c oughs> อเข้านี้เวลาเดียวกันโทรไปดิพี่ไมต้องโทรไปโทรไปก่อน ภาพอะไรจยากไหมสองสามวันสองสามวันลายนัทก็ลบไปแล้วของสกุบไปแล้วเอาภาพอะไรหลายแมให้ดูที่ไปอินเดียไปเลยแชอบดูบ้างไหมนห้ดู ไม่ได้รังเกียรติศาสนาทำไม่ได้รังเกียจคือคือเขาผมผมกลัวว่าเขาเห็นอะไรของเขาเข า, เขาผิดหวังการที่ผมไม่อยู่บสถนานอย่านัะผมมองว่าเขาผิดหวังตรงนี้ด้วยเขาไม่อยากให้ผมบสถอแต่เพาเห็นผมอยู่ในถ่ายรูปผมมาเห็นผ้าจารย์กลัวว่ากลียดในใจครับจะคือผมควรนผมก็เลยี ม, ม่ได้สมนุ น, ม, น <ừ> มันไปนขัดแย้งที่สี่รับ เขาไปเพราะว่าพระจารย์รู้จักเขารู้ว่าพระจารย์รู้จักเขาเขาก็เลยไม่กล้ามาเพอไม่กล้ามาพวกมันก็เหมือนกับที่ทีเขาไปบอกว่าเนี่ยเราได้ทาได้ทำรุศลายเขาแล้วแล้วก็ต่อไปเราจะทำร้ายเขาเนี่ยเขาคิดอยูมันเป็นราคาถูกที่ได้นกิเลสมันเกิดขึ้นได้แม้ไม่พ่อแม ร้องกับนัดพี่พ่อไม่ค่อยแฮปปี้ลเลยเราไม่ขาดใจแต่พ่อเขาบอกว่าแค่เสียงเขายังไม่อยากยินเลยเขาอยากให้เราเป็ น, น, นยัง้งเคยทำเขาอยากให้เราเป็นไม่เคยทำ เ, เวลาพ่อบอกแค่เสียงยังไม่อยากจะยินเลยนี่หนูหนูทุกข์ไหมคบนี้ ทุกทำไมนหนูคิดยังไงถึงทุกข์ถ้เป็นฉันเองฉันไม่ทุกข์เลยจริงๆถ้าเป็นจริงๆที่หนูทุกข์ตรงเนี้เพราะว่าอะไรหนูหนูอยากให้พ่ออยากได้ยินเสียงหนูพ่อชื่นใจใช่ไหมหนูคิดอย่างนั้นเห็นไหมหนูอยู่ด้วยความรู้สึก ดูหาสาเหยุเจอไหมเคยพิจารณาเจอไหมว่าที่พ่อเป็นแบบนี้พ่ออะไรพ่อเคยคาดหวังอะไรเราแล้วไม่เป็นไปอย่างที่ก็หวังใช่ไหมล่ะจริงหรือเปล่าดูหาสาเหตุเจอไหมเจอหรือเป่ารูไหมเอา้าลองเล่าให้ฟันดีพ่อก็หวังอะไรอยากให้เราเป็นยังไง ตอเด็กพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าพ่อแก่แล้วน้กจะเรียงพ่อไหมงั้นูว่ามันอ่าแล้วแล้วยังไงต่อแล้ยังไงต่ออเป็นแบบเนี้ยอ๋อแล้วหนูหนูว่าเขามองว่าหนูจะเลี้ยงพ่อมไม่ได้ใช่ไ ว่าเขามองแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าทำไม่ได้คํามองว่าหนูทําไม่ได้เขาไม่รมมู้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าทําไม่ได้จริงๆไ ง, งหนูต้องตั้งความรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าอย่างเงี้ยหนูไปไปคิดอย่างเงี้ย แสดงให้เห็นว่าหนูหนูใช้ความรู้สึกแรงวิธีการว่าเขาบอกว่าเขาพ่อพ่อบอกว่าไม่ได้อยากได้ยินเสียงหนูไม้ทุกวันนี้ก็พูดอย่างงี้เลยใช่ไหมพูดบ่อยไหมบ่อยช่วงหนักๆบ่อยอยู่ในหัวก็บ่อยแล้วหนูอยากให้พ่อพูดว่า <c oughs> พอทะเราะกันเขาก็ขับรถออกไปยินเราหนอกเขา น่ขับรถได้เปหาพื่ อ, อ, ห, อหนูก็เลยทุกตรงนี้หนูอยากจะทาอะไรขึ้นมาอยากให้พ่อเห็นว่าหนูเลี้ยงพ่อได้อย่างนั้นใช่ไเป็นงั้ป่าอยากให้เขาบอกว่าลอโตแล้วดแค่ักพอเ <c oughs> <c oughs> เข้าใจ หนูรสความต้องการของหนูได้มั้ยรดได้แค่โตนะก็คือพี่แปดอะไรต่างก็โตแล้วอ่ะไม่ใช่พี่ความราไผิชอบแล้วไม่จริงๆริงไงพ่อเนี่ยต่อให้ลูกโตขนาดไหนเขาก็มองแคเป็นไอ้หนูคนนั้นนี่ย ใช่ป่ะพ่อค่อยๆมองโลกอย่างนี้เขาจะมองอย่างไรไม่สําคัญเขาจะคิดอย่าง้นไม่สําคัญสําคัญตรงที่ว่าเราเราเป็นคนที่เข้มแข็งจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความสามารถจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีศักยภาพจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ามันไม่สําคัญว่าพ่อจะมอง หนูเคยเห็นมา้าม้าที่มันกินหญ้าแล้วเขาใช้แว่นใส่ใสใสตาเหมัอนม้าเนี่ยม้าเนี่ยเวลาเขาไม่มีหญ้าสดๆให้มันกินนะเขาใช้แวน่นใช้แว่นสีแล้วก็เอาฟาแงแห้งแว้ใมันมันกินยาดจากนั้นสายตาพ่อที่มองเรา ถ้ามันมีตัวแว่นสีตัวนี้มันเชือดฉาบทาอยู่นุ๊เขาก็มองไม่ตรงแต่การที่พ่อมองเราไม่ตรงมองตามความรู้สึกของพ่อเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเครียดเขาจยังทำไมเราต้องเอาความรู้สึกว่าให้พ่อเป็นอย่างที่เราต้องการนี่หเนี่ยสมมติพ่อมองด้านไหนเป็นเด็ก โกรธไหมแน่โกรธไอเด็กกระจกเนี่ยจะมองเนีโกรธไหมครัเมื่อตอนเมื่อตอนที่โดนแลกวบ้านเขาห้แล้วเนี่ยยังโกรธอยู่นะอาจารย์ตอนยังโกดอยู่ตอนนั้นตอนนันตอนที่โดนแล่ชาบ้านที่เป็นพระเนี่นะะนั้นโกรธค่ะแต่ว่ากไม่ได้โดนตีโดนควาิดเลยไม่โดนไม่โดนเฟดงั้นถ้าเขาจะว่าหนูยัง มันไม่ได้สําคัญหนูเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกไปจับว่าเราเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อะไรทั้งหลาย แ, แล้วแต่ตรงเนี้หนูามาเป็นข้อฝึอกสิเนี่ยที่หนูมองอย่างเงี้ยที่เออที่พ่อมองอย่างเงี้ยเอาละ่ะเราจะทําทตนเองให้ประสบความสําเร็จข้คขอคุณพ่อมาก ที่ให้กำลังใจเขาใหญ่ยังนั่นนะพ่อเขาให้กำลังใจหนูทำไมเขาพูดคำนั้นใจลึกๆจริงๆเนี่ยเขาต้องการให้เราประสบความสําเร็จแต่แค่พูดไม่เป็ น, นไงมันพูดได้แค่นั้นแหละเขาใหญ่ยังจริงๆอะ่ะเขาอยาพออย่างเขาไล่เนี่ยเนียหรือเขาไม่อยากได้ยินเสียงเนี่ย แปลว่าอะไรเขาไม่อยากได้ยินเสียงที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาแต่ถ้าเราลองที่คนอย่างอย่างอย่างพ่อเนี่ยถ้าหนูลองไ ป, ไปเพจเจมเกี่ยวของกิจการอะไรขึ้นมาเนี่ยหนูดา่ายังไงเขาก็เชื่นใจนั่นนะเขาแค่นั้นแหละแต่จริงๆเราอย่าไปกังวลตรงนั้นเห็นไหมหนูหนูกลับไปตั้งความรู้สึกไว้กับพ่อแบบเนี้ เูอยู่กับความรู้สึกจริงๆนะหนูที่ด้วย28แล้วนะโตแล้วนะเรียงตัวเองได้นะเนี่ยกังวลทำไมไเรื่องเองจะ40 50ก็จะเรียกไอ้หนูก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไอ้ล่มเลี้ยวใช้ไม่ได้สมมติเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่สำคัญลลกลายเ้็นวเรากดความเห็นเหมือนพอ่อเลยะใช่ไม่ต้อง ไม่สำคัญ น, นั้นต่อไปอย่าไปเอาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเพียงแค่คำพูดเพียงแค่นี้แต่ทั้งหมดเลยเนี่ยมาศึกษาแล้วบอกว่าให้นึกในใจสักวันหนึ่งนัดคนนี้ประสบความสำเร็จแน่ <c oughs> แล้วก็จะเป็นคนที่มีความอดทนสูงพ่อพูดมาถือ พูดมาเลยนี่คือเป็นพลังและที่บอกว่าพ่อจะพึ่งอยู่ได้จริงๆด้วยแล้วสักวันหนึ่งพอพ่อเดินไม่ได้อะไรไม่ได้ที่เราไปดูแลไปอุ้มเอาข้าวให้กินเราไม่ต้องพูดเลยนี่นไงพึ่งไหมจริงๆต้องพึ่งไว้ในอนาคตเกืบอบร้อยจะต้องขับรถพาไป หามหมอบังเลยเดี๋ยวต่อไปก็ขับรถไม่ได้เดี๋ยวตาไม่ดีเลยเดยหน้าเข้าก็เรียบร้อยจริงไหมล่ะหน้าเข้ากับใครล่ะเหลือแม่พอแม่ไม่ขับเหลือใครเอะเราก็แค่นี้เองสรุปแล้วว่าต้องพึ่งเราไหมพึ่งไม่เหลือถ้าเรายังแข็งแรงเรายังมีศักยภาพ แล้วก็าาทำงานไปสิําอย่ันแล้วก็เรียนรู้ไปแต่สักวันหนึง่งเหม่แลยไอ้คำพูดลักษณะอย่างนี้นไม่เห็นต้องเอามามาทุกใจมันน่าจะชื่นใจพ่อให้กำลังใจเดี๋ยวไม่อยากได้ยินเสียไม่เห็นไม่เลก็คุยแค่ธรรมดา น, น, นั่นหนูอย่าไปกังวลเรื่องเพียงแค่งนี้เนาะ โอ้ยคนที่เข้าไปประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องผ่านอะไรมันเยอะต้องเจอบททดสอบบ้างเนี่ยนี่หนูกําลังอยู่กับบททดสอบใช่ไหมแต่ถ้าเอาว่าเป็นปมด้อยกันมาหนูเป็นตัวขัดขวางอนี้คำพูดแค่นีน้น้อยเนื้อต่ำใจบางคนไปนชดชีวิตเลยก็ใหญ่ว่าเคยเห็นไหมไม่ควรเป็น อ๋อหนูไม่ชอาคำพูดของพ่อแบบนี้เอาม า, มาวิจัยดยูสิคำพูดอย่างนี้มาจากอะไรมาจากอนไม่จยกยกรริตประเภทไหน ม, มาจากการที่เขาหวังอะไรในเราก็แค่นี้สักวันหนึ่งเราก็ทำความหวังนี้ให้เป็นความจริงได้แต่จริงๆแล้วเราต้องการประสบเราต้องการเป็นคนมีศักยภาพไม่ใช่แค่ให้พ่อ หวังได้หรือไม่ได้ไม่ใช่แค่นะั้นจริงๆนะโยมหนูไม่ได้ไปทําความดีเพื่อพ่อเนะแต่ทําความดีเพื่อความดีพ่อจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมมันผลปรอยได้เท่านั้นเองเขาจะ ย, ยังหนูจะเป็นคนเข้มแข็งไม่ใช่เพราะพ่อพ อ, อย่าไปตั้งความรู้สึกไว้อย่างนั้นจะเป็นคนเข้มแข็งต้องการจะฝึกตนเองก็ถึงความอดทนฝึกตนเองก็ถึงความเข้ออกล้า ฝึกตนเองก็ถึงความเชื่อมั่นฝึกตนเองให้ได้ปัญญาฝึกตนเองให้ได้มีทักษะความรู้ความสามารถส่วนพ่อชมก็ได้ไม่ชมก็ได้ชมก็เป็นผลคอยได้ไม่ชมก็คือผลพอยไดไม้มีอะไรหร้วก็ย อ, อย่างอย่าไปเอาความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจไปตั้งไว้กระเสียงชมเสียงด่าทั้งนั้นหนูยู่คนหวั่นไหวนีโลกกระทมากนี่เห็นต้องไม่หวั่นไหวอะไรกัมันเล ไยพ่อชมแทบตายจะเป็นคนล้มเหลวในชีวิตทํไม่ได้อะไรเหมือนทุกเจ้านอนเนาะพ่อชมทุกวันสุดยอดสุดยอดแต่จริงๆมันแย่สมมาเนั่วมันมันอะไรเนี่ยฆ่าเขาไหมเนี่ยฆ่าไหมทำพูดนั้นไปฆ่านี่มองไม้แล้วนี่นนก็กลายเป็นคนหลงเหลืงแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จยุ่งอีกเริ่มเห็ น, นี่ยัง สรุปแล้วเราควรวางท่าทีทางใจยังไงถ้ายินเสียงแบบนี้อยากให้พ่อพูดอย่างนี้ทุกวนมันจะได้เป็นแรงกระตุ้นตือนเป็นพลังทำให้เราไม่ประมาทเช่าไหมล่ะไปเสนอหน้าพ่อพ่อพูดอีกสิ รัวไม่ได้มสกิลขึ้นขึ้นเลยไม่ได้เอ้ยแข็งแรงอยู่ตอนนี้ยังแข็งแรงจริงๆคนร่างกายแข็งแรงจะมีโรคโรคอะไรตอนนี้โรคประจำตัวมีไส้เลือดที่เห็นอยู่พร้อมดันสูงอยิ่งคนตับต่ำอ๋อ กินเล่าจะกินบางแก้ยากกินเล่าพไปกินเล่าความาต้าลดต่ำไม่ควรทากินเล่านะื่องจมันสูงเพระ่เพราะว่ามัเล่ามันดิ่ให้สูงขึ้นเรืยย่อยๆโดยปล่อยร่างกายก็เลเรียนรู้ให้มันทำให้ต่ต่ำผคิดอย่างนี้ความเห็นนะเพรร่<ด> า, างกายมันต้องปรับตัวแล้วมันโดนดิ่ให้สูงขึ้นเรื่อยๆโดยปล่อขยายออกเรื่อยๆ แค่แปดตีน<ป>ดันเลยดันต่ำใหญ่กว่านีจริงๆคนกินเหล้ามากจะความดันสูงถ้าความดันต่ำยังกินได้อีกนะแล้วนอกจากความดันมีอะไรอื่นกตาีตับเติบเนี้ยนะน่าจะไปตาเป็น มบอกมองได้ข้างเดียวอีกข้างนึงก็ฟาแล้วแบบไมเไดขับก็ได้อยู่เขาบอกว่าเขามองตามแสงไฟกลางวันขับได้กลวันไม่ได้กลางวันก็ขับได้เห็นออกไปอยู่หน้านัเขียกเคียกก็ออกไปข้างนาอกไม่ได้ทำอะไรดีใช้ไหเชีย ก็เมื่อคืนทะลาะพอเช้ามาเจอหน้าก็ค่ะสัญญาเป็นไรหนูพ่อเจอหน้าหนูที่ไรพ่อเคทุกครั้งครับผมเคทุกครั้งน่าจากแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรจะพูดแล้วก็ไม่พูด วันไหนวันไหนพ่อพูดกับหนูดีวันนั้นยพ่อเริ่มจะไปถ้ายังพูดไม่ดีอยู่แสดงยังแข็งแรงจริงไหมมันจะเป็นยังไงพ่ออยากให้หนูเป็นคนอ่อนหวังน่อ นี่ไ ม, ไ, มไม่รู้ไม่เคยถามไม่เคยไม่เคยหวังใช้พูดกับพ่อดีๆมไหมจำแต่แค่ตอนเด็กตอนนี้จะไปพูดไปดีๆได้ไหมพ่อจ๋าได้ไหมให้กล่าวคุณ เคกับพ่อเคยไหไม่เคยริยมบ้านทำด้วยพ่อชอบอะไรเคยรู้ชอบอะไรชอบกินเหรอหอว่าชอบก็อชอบของแพงกชอบ ในปีใหม่เคยซื้อไปแล้วแล้วก็ไม่ชอบก็ให้เงินหมดเลยก็มไม่เป็นไรจริงๆเวลาไปเนี่ยวันปีใหม่ดูลองไปพูดเข้าไปนะหาดูจั ง, วงหวะที่ดีนะแล้วต้องวางท่าทีจังใจนะแกอาจจะพูดไม่ดีกับเราก็ได้หรือจจพูดดีก็ได้ก็แล้วแต่ไม่สนแต่ฉันจะทำหน้าที่นะ ไปปเสร็จพวกหนูเออดูโปร่โลกหน่อยวัน้คุกคากราบแกยกหนูไหวแก่ า, าพ่อหนูหนูคิดถึงพ่อเนะรักพ่อเนะียพินะพ่อจะด่าจะอะไรหนูไม่ว่าในวันนี้เป็นวันปีใหม่นะพ่อหนูถ้าที่หนูคิดจะออก หนูอยากทำอะไรให้พ่อหนูเป็นผ้าหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เอาให้แกแล้วกอดแกแล้วก็บอกพ่อนูรักพ่อลูกคนนี้อาจจะทำอะไรที่พ่อไม่ถูกใจเยอะไม่เป็นไรนะหนูขอโทษนะในสิ่งที่ทำให้พ่อไม่สบายใจ หนูจะพยายามทำในสิ่งที่มันดีที่สุดพ่ออยู่หนู ด, ดูหนูนานๆแล้วพ่อเลยกอดแกทำเลยและต้องยอมรับว่าบางทีแกอาจจะบึ้งปังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรรับได้พ่อเล้ะหนูทำเลยเนะี่ย ที่จะทำได้ที่จะทำเป็นลอกปากได้ไหมทำไ ม, ทำไมไม่กล้าทำหลวงพอมันปวดเรื่องในใจถ้าหวางใจไม่ได้มันก็เราทำแล้วเราหวังผลว่าพ่อจะพูดดีกับเราใช่ไหมไม่ได้หวังผลแต่ว่าบางทีป่อจะคิด เกียแก่อยู่กยว ก็อยากให้แ <departed> ต่บางทีบอกตัวเองว่าให้อภัยแต่บางทีความรู้สึกลึกๆมันไม่ได้ให้อภัยอ่ะมันยากจริงๆจริงจริงจริงมันมัน ฉันเข้าใจนะที่หนูพูดม่าแต่หนูควรตั้งความรู้สึกว่าคําว่าให้อภัยในที่นี้คือหมายความว่าเราเราต้องตั้งเจตนาพุจจ์ว่าเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้ความขัดเคืองความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นกับพ่อต่อไปเวลาหนูมององค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ จริงๆถามว่าพ่อที่เขาทําอาจจะพูดไม่ดีใช่ไหมหรือทําพฤติกรรมอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากความคิดที่มันผิดหรือถูกทีนี้ไอความคิดของมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งผิดและถูกการจะทําของมนุษย์มันมีทั้งผิดและถูกเข้าใจใช่ไหม เราอย่าไปตั้งความรู้สึกว่าทําไมพ่อทำมาด่าลูกอย่างนี้ทํากับลูกอย่างนี้มอออกไหมเรื่องบางอย่างเนี่ยมันผ่านมาแล้วจริงไหมไอเรื่องนั้นมันหมดไปแล้วแต่ที่มันไม่หมดมันอยู่ในไหนเราไปจําไว้สมมติพ่อเคยด่าเราครั้งหนึ่งนะด่าเพียงครั้งเดียว การทำต่อเราคืดาเราเองครั้เงเดียวแต่เราเนี่ยมืหมุนความคิดตรง น, นั้นห้าร้อยครั้งแปลว่าอะไรแปลว่าอไมไนพ่อทำร้อห้าร้อยครั้งแท้จริงสขาทำแค่ครั้งเดียวเออมันการจะมันน้อยจากสัญญาของเราท่างหานที่ไปทําตัวดีพ่อทํากับเราครั้งเดียวเอง แต่เราเดนไปทำโดยเองทั้ง500ครั้งมันไม่ใช่แค่500มันเป็นพันเลย่ะมององไหมมีเรื่องที่เลวร้ายที่สุดน่มมีเรื่องที่เร็วร